ดีค่ะท่านผู้ฟังทุท่านวันนี้เกินยิมน้อยก็ได้มีโอกาสดีๆและเบียนไปทานอาหารเชที่ร้านอาหารเชแห่งหนึ่งจนทาให้หนูได้รู้ถึงธรรมะในส่วนของ การกินเจและร้านอาหารเจมาฝากท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าในขณะที่หนูเดินเข้าไปที่ร้านเจเพื่อรับประทานอาหารหนูกำลังไปนั่งอยู่ที่โต๊ะเสร็จ แ, แล้วก็สั่งอาหารหนูรู้สึกว่า น้ำตาสะไหลออกมาเป็นอาการของการปลื้มปริติตื้นตันเกิดขึ้นมาในใจหนูจึงหลับตาหลังจากที่สั่งอาหารเสร็จในขณะที่หนูหลับตานั้นหนูเห็นแสงขาวๆลงมาจากบน สวรรค์ทอดยาวเข้ามาสู่ร้านเจและก็ทำให้หนูได้รู้อย่างนี้ว่าในแต่ละจุดแต่ละร้านที่เป็นร้านอาหารเจนั้นก็เป็นการจัดวางของทางโลกทิพย์ ให้สังึ้นมาเกิดขึ้นมาในพระบารมีของเหล่าเทพโพธิสัตว์ทั้งหลายและกวาสะก่อเกิดขึ้นมาเป็นล้านหนึ่งล้านหนึ่งตามจุดต่างๆไปนั้นก็เหมือนกันกันกบบริษัท ของโลกมนุษย์เช่นเดียวกันเช่นคอยว่าขยายสาขาไปเรื่อยเรื่อยเหมือนหากยกตัวอย่างก็เหมือนกับเซเว่นที่มีสาขาตามจุดต่างต่างไปซึ่งหนูเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นสภาวะธรรมเช่นนั้น แทที่จริงร้านอาหารเจในแต่ละจุดก็ถูกวางแผนมาจากโพธิสัตว์และเหล่าเทพเพื่อให้วางเป็นสาขาตามจุดต่างๆไปและในแต่ละร้านก็จะมีแสงจากพุทธานุภาพ บุญบารมีเชื่อมสีขาวๆลงมาที่ลานและในทุกทุกร้านก็จะมีเทพประจำร้านอยู่ทุกทุกร้านคอยดูแลปกปักรักษาและช่วยเหลือผู้คน ที่ขายอาหารเจและสภาวธรรมนี้จึงทำให้หนูได้รู้เข้าถึงบุญอันยิ่งใหญ่ของการกินเจและการเปิดอาหารเจเมื่อหนู ได้เห็นสภาวะธรรมของโลกทิพย์ที่เกิดขึ้นในร้านเจแล้วหนูก็เลยเกิดความคิดสงสัยขึ้นมาอย่างนี้ว่าและคนที่เป็นคนขายอาหารเจจะได้รับอนิสงของบุญกุศลอย่างไรบ้าง ในขณะที่เปิดร้านอาหารเจนั้นก็เหมือนเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีในอีกรูปแบบหนึง่งและแน่นอนว่าในทุกๆุ ท, ที่ที่มีการสร้างบารมีสร้างกุณงามความดีก็ย่อมที่จะมีฝ่ายมาน ที่คอยก่อกวนและพยายามที่จะทำแกล้งทุกวิถีทางให้ล้มลงไปอยู่ในทุกๆรูปแบบและหนูก็เชื่อว่าคนที่เปิดร้านอาหารเจก็คงจะมีอุปสรรค มากมายมากีดขวางในการเปิดและค้าขาดในแต่ละวันบ้างก็จะเป็นการทดสอบคนขายและบ้างก็จะเป็นมารที่เผชิญเข้ามาขัดขวางการสร้างบุญสร้างบรารมี หนูจึงคิดสงสัยในใจขึ้นมาแล้วจึงเตรียมคำถามนี้ขึ้นไปเข้าเฝ้าพระแม่กวนอิมเพื่อทูลถามถึงสภาวธรรมเหล่านี้กับพระแม่กวนอิมท่านหลังจากที่หนูได้ทานอาหารเสร็จ หนูจึงกลับมาและก็นั่งกรรมาฐานถอดกายภายในขึ้นไปเข้าเฝ้าพระแม่กวนอิมที่ดินแดนสุขาวดีหนูได้นั่งภาวนาจิตถอดกายภายในขึ้นไปจนถึงที่ประทับของพระแม่กวนอิม ในดินแดนสุขาวดีแล้วเมื่อหนูพบพระแม่กวนอิมท่านหนูจึงนั่งลงคุกเขา่าพร้อมทั้งพูดว่ากวนอิมน้อยกราบนมัสการพระแม่กวนอิมเจ้าค่ะเมื่อพระแม่กวนอิมท่านได้ยินเสียง ของหนูท่านจึงลืมตาขึ้นมาพร้อมทั้งถามกลับมาว่ามีอะไรเหลอลูกหนูจึงตอบพระองค์ท่านไปว่าพระแม่เจ้าขาหนูมีเหตุการณ์ที่ทำให้หนูเกิดความสงสัยถึงเรื่อง ร้านอาหารเจนะเจ้าค่ะในขณะที่หนูไปนั่งทานอาหารเจอยู่ในร้านอาหารเจแห่งหนึ่งก็ทำให้หนูได้รู้ถึงสภาวะของร้านเจแต่ละร้านว่าเป็นบริษัทของโพธิสัตว์ที่ขยายสขาออกไป เหมือนเซเว่นของโลกมนุษย์และแต่ละจุดแต่ละสา ข, ขาที่ขยายไปนั้นก็จะมีผู้คนที่ถูกเลือกให้เข้ามารับหน้าที่ในการเป็นพรังงานบุญประจำล้านซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกหากล้านเจนั้น จะเกิดขึ้นตามจุดประสงค์ของเหล่าโพธิสัตร์แต่สิ่งที่หนูแปลกใจคือสิ่งที่พนักงานบุญเหล่านั้นเขาจะได้รับอานิสงส์ของบุญคืออะไรบ้างและผลบุญของการเปิดร้านอาหารเจ นั้นจะได้อนิสงของบุญอย่างไรหนูจึงขึ้นมาเฝ้าเพื่อทูลถามพระแม่เจ้าคาเมื่อหนูพูดจบพระแม่ท่านจึงตอบกลับมาว่าอันนีส้สงของการเปิดร้านอาหารเจยย่อมแน่นอนว่า ผู้ที่เปิดขายอาหารเจนั้นอันดับแรกจิตนั้นย่อมที่จะถึงบุญกายภายในก็ย่อมที่จะเป็นกายของเทพเทวดาแล้วจึงจะเชื่อมต่อกับคำสั่งของโลกทิพย์ได้และจะมีเทวดาประจำล้าน ที่คอยดูแลเป็นตัวช่วยช่วยเหลือเขาอยู่ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคทับถมเข้ามาขนาดไหนก็ย่อมที่จะพาไปให้รอดฝั่งได้และจิตของผู้ที่มีบุญไม่ว่าจะทำสิ่งใด มันจะไม่ใช่เรื่องยากเลยและยิ่งโดยเฉพาะผู้ที่มีบุญมาจากข้างในย่อมที่จะเป็นบุญที่หนักแน่นอย่างแท้จริงและความอดทนเสียสละและช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้กิน อาหารที่เป็นอาหารบุญไม่เบียดเบียนผู้อื่นย่อมแน่นอนอยู่แล้วว่าตนก็จะได้รับการดูแลจากเทพเทวดามาปกปักรักษากคุ้มครองและย่อมที่จะพ้น จากการถูกเบียดเบียนไม่ว่าจะถูกเบียดเบียนบ้างแต่ก็ย่อมที่จะมีเหตุให้ผ่านพ้นไปได้โดยอัตโนมัติเพราะมีเทพเทวาที่คอยช่วยเหลืออยู่อันนี้ส่งบุญของผู้ทิศเปิดร้านอาหารเจ ทำอาหารเซให้กับผู้อื่นได้กินกันนั้นเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่และจะส่งผลให้จิตนั้นหลุดพ้นได้อย่างแน่นอนและผลของบุญนั้นจะสามารถเก็บเกี่ยวได้อย่างมากมาย จะได้กำไรเรียกว่าเป็นกำไรที่มากที่สุดเลยในอีกหนทางหนึ่งก็ว่าได้หยุดการเบียดเบียนฆ่าชีวิตผู้อื่นช่วยเหลือผู้ที่ปัจจุบจะสร้างบุญโดยการละเว้นการเบียดเบียนให้ได้กิน และสมปร t a n t และยังเป็นการเลือกอาชีพที่ไร้การเบียดเบียนผู้อื่นอีกผลบุญนั้นย่อมที่จะเผยเกลื่อแผ่ไปถึงญาติพี่น้องลูกหลานวงวานครอบไปได้ทั้ง สการวานจิตวิญญาณทั้งหลายอย่างแน่แท้เพราะการที่เปิดลานอาหารเจนัดก็หมายถึงการสนับสนุนให้เลิกการเบียดเบียนต่อกันและย่อมที่จะส่งผลไปถึง ของทั้งจักรวาลเป็นเทพเทวาก็จะได้น้อมรับบุญนั้นไปด้วยเป็นสัตว์ก็ย่อมที่จะได้รับบุญนั้นไปด้วยและมนุษย์เองก็ได้รับบุญนั้นไปด้วยผลของบุญอันยิ่งใหญ่นี้ย่อมที่จะส่งผล ใหถึงแก่ความหลุดพ้นอย่างแน่นอนและก็จะมีสิ่งหนึ่งที่น่าจะฝากหนูผ่านไปสู่คนเหล่านั้นหากกำลังท้อทแท้ใจและเหนื่อยกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่จงอดทนและทำต่อไป อย่าหวั่นไหวในสิ่งที่กระทบเข้ามาเพราะการสร้างบุญสร้างบารมีย่อมที่จะมีมารคอยมาเผชิญทำให้เรานั้นไม่สำเร็จในการสร้างคุณงามความดีอยู่แล้วและยิ่งฉเฉพาะการ เปิดร้านอาหารเจนั้นถ้ารวมมาแล้วก็จะเป็นอนิสงส์ใหญ่ในส่วนบุญส่วนหนึ่งเช่นเดียวกันซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาที่จะกระทบบ้างและมีสิ่งมาตัดหลอนบ้าง และมักจะเจอคำพูดของทางฝ่ายมารที่แฝงเข้ามาพูดหรือใช้วาจาที่เสียบแทงทำให้ตนนั้นรู้สึกไม่ดีกับวาจาเหล่านั้นก็ให้มองทุกอย่างนั้นเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ต้องไปสนใจเรียบเร่งขวัญขวายบุญที่ตนจะได้รับและแน่นอนว่าผู้ที่มีจิตใจบุญและสร้างบุญถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนานากระทบผ่านพ้นเข้ามาบ้าง แต่ความบริสุทธิ์คุณงามความดีบุญบารมีนั้นย่อมที่จะพาให้ผ่านพ้นไปได้ในที่สุดวันนี้ลูกๆทั้งหลายก็ได้รู้แล้วว่าการเปิดร้านอาหารเจนั้น มีสภาวะของโลกทิพย์ยังไงแม้ว่าพวกลูกๆจะมองไม่เห็นแต่ทุกๆคนที่เปิดลานเจจงจำเอาไว้เสมออย่างนี้ว่าในทุกๆลานก็เหมือนเป็นสาขาของแม่เป็นบริษัท ของแม่และเหล่าโพธิสัตว์ที่ขยับขยายวางไปตามจุดต่างๆที่ควรจะมีเกิดขึ้นตามจุดต่างๆไปและในจุดแต่ละจุดก็จะมีผู้คนที่ถูกเลือกให้มาเป็นพนัก ง, งานบุญ และในแต่ละล้านแต่ละจุดก็จะมีเทพที่ไปอยู่ประจำร้านคอยดูแลพวกเรานักบุญเอย่าพึ่ง้อใจในการสร้างความดีกันนะจ๊ะอย่ายอมพ่ายแพ้ต่ออุปสรรคเทพเทวารวมถึง พรัติท์ทั้งหลายยังคอยคุ้มครองและช่วยเหลือท่านทั้งหลายอยู่เสมอในทุกเช้าคำ่ำท่านไม่มีทางที่จะขัดสนและจนหนทางได้หลอกจงเพียรทำแต่ความดีละเบนความเชื่อ แม้ในหลายครั้งพวกท่านอาจจะโดนกระทบมาจากวาจาที่ท่านทั้งหลายหาคำตอบกลับไปสู่เขาเหล่านั้นไม่ได้แต่อย่าไปสนใจเลยเพราะคนเราภูมิจิตนั้นก็มาต่างกันความคิดก็มาต่างกัน ถึงแม้ว่าจะอยู่ในโลกเดียวกันแต่ว่าสภาวะจิตของแต่ละคนก็มีภูมิของจิตที่สร้างบุญสร้างกุศลมาต่างกันเราจงตั้งใจทาหน้าที่ของตนให้สำเร็จลุล่วงแค่นั้นก็พอ และเช่นในคำพูดที่แม่เองก็เคยได้ยินว่ามักจะมีคนพูดว่าคนที่กินเจก็ไม่ได้แปลว่าจะเป็นคนดีและอาจมีคำพูดที่เยอะแยะมากมาย มาเสียดแทงในการทำดีแต่จริงๆแล้วตามกฎของธรรมชาติหากคนที่ไม่มีสำนึกในผิดชอบเชื่อดีแน่นอนว่าจะไม่มีจิตที่จะละลึกไปถึงการ ที่จะถือสินกินเจอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าคนที่กินเจอาจจะมีในส่วนที่ไม่ดีติดข้างอยู่บ้างแต่แม่ก็เชื่อว่าส่วนที่ดีก็มีอยู่มากเพราะฉะนั้น หากเราจะทำการสิ่งใดจงมั่นใจในตัวเองและตั้งใจทำในสิ่งที่ตนตั้งใจอย่ามัวแต่เอาคำพูดเล็กน้อยของผู้อื่นมาตัดรอนเลยแท้ที่จริงบุญของคนเรา มันก็ถูกจิตกันและมาต่างกันคนที่มีบุญสภาวะจิตก็จะผลัดดันไปให้เจอบุญเมื่อพบก็จะรู้สึกมีความสุขและคนที่จิตถึงบุญอย่างแท้จริงย่อมแน่นอนว่า ต้องเป็นคนดีและถึงแม้ว่าจะมีไม่ดีบ้างแต่มันก็คงจะน้อยเพราะฉะนั้นจงเชื่อในเรื่องของกฎแห่งกรรมหากเราทำดี เราก็ย่อมที่จะได้ดีความดีหรือชั่วนั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราอยู่ที่การประทรรหากเราทำดีความดีก็ย่อมที่จะฝังอยู่ในตัวของเราและไม่มีใครที่จะแย่งไปได้ หากว่าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็ย่อมที่จะติดตัวของเราไม่มีใครที่จะเช็ดออกได้อยู่ที่ว่าเราเลือกที่จะเอาสีขาวมาทาตัว หรือเลือกที่จะเอาสีดำมาทาตัวของเราการที่คนอื่นนั้นจะเอาสิ่งที่ดีและไม่ดีเข้ามาใส่ในตัวของเรานั้นแม้มันจะเกิดขึ้นได้ในทางของกายมนุษย์ในทางของ โลกแต่ในทางของความเป็นจริงตามกฎของกรรมแล้วย่อมไม่มีใครที่จะใส่สิ่งที่ดีและไม่ดีให้กับใครได้นอกจากจิตข้างในสน้อมเอาเองรับเอาเอง ทำเอาเองเช่นดังการสร้างความเชื่อหากจิตข้างในของเราไม่เปิดรับและไม่ยอมทำย่อมแน่นอนว่าเราจะไม่ปนเปื้อนกับสิ่งสกปรกนั้นและแน่นอนว่า หากว่าดวงจิตใดที่ไม่ยอมน้อมรับเรื่องของบุญเข้าไปไว้ในจิตของตนรับคุณงามความดีเข้าไปไว้ในจิตของต น, งไไ น, ตงตนก็ยอมแสดงให้เห็นอยู่แล้วแน่นอนว่าจิตนั้นก็จะไม่สามารถที่จะรับความดีเข้าไปได้ ไม่ว่าคนอื่นจะยัดเยียดให้ขนาดไหนและยิ่งยัดเยียดเท่าไหร่ก็จะยิ่งกลายเป็นดำเป็นบาปเป็นกรรมมากขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำสิ่งใดเราเลือกเองได้ ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะถูกเก็บไว้ในแต้มคะแนนของแต่ละคนและทุกคนยอมที่จะหนีมันไปไม่พ้นอย่างแน่นอนเมื่อพระแม่ท่านพูดจบหนดจึง คุณถามพระแม่ท่านต่อไปอีกว่าพระแม่เจ้าขาแล้วถ้าอย่างนั้นคนที่เขาทำบุญแล้วก็แผ่ไปให้พ่อให้แม่ให้สักญาติพี่น้องเจ้ากรรมในเวรเพื่อนฝูง อะไรแบบนี้นะเจ้าคาเขาจะได้รับส่วนบนนั้นด้วยหรือเปล่าเมื่อหนูทูลถามพระแม่ท่านจบพระแม่ท่านจึงตอบกลับมาว่าหากเป็นบุญที่ทำาละวแผ่ไปให้ก็เหมือนเป็นเงินที่ไปฝากไว้ในธนาคาร เป็นชื่อของคนนั้นนั้นแต่หากคนนั้นไม่รู้รหัสของการเบิกบุญยังไงซะก็ย่อมที่จะเบิกบุญนั้นมาใช้ไม่ได้เหมือนการฝากเอาไว้เฉยแต่ตนไม่รู้ว่ามีคนฝากเงิน เอาไว้ให้และไม่รู้รหัสของการเปิดจึงไม่สามารถที่จะไปเบิกบุญนั้นได้เพราะจิตของตนไม่ได้น้อมในบุญนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าไม่ได้รับและ เบิกเอามาใช้หนุนตนได้แต่หากว่าคนไหนที่น้อมรับบุญ น, นั้นก็ยอมที่จะได้รับเหมือนคนที่รู้ว่ามีคนฝากเงินไว้ให้และรู้รหัสเปิดของมันมันก็ขึ้นอยู่กับว่า เรานั้นจะน้อมไปด้วยหรือเปล่าหรือว่าไม่น้อมการน้อมรับบุญก็เหมือนการรับรู้ว่ามีคนฝากปัจจัยฝากเงินไว้ให้แต่การไม่น้อมรับบุญก็เหมือนการไม่รับรู้ในการเคลื่อนไหวของคนรอบข้าง ที่สร้างความดีกับเราแต่ถามว่าบุญนั้นจะได้หรือเปล่าแน่นอนว่าเขายอมที่จะได้ฝากไว้อยู่ที่ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้รู้และไปเบิกมาเมื่อพระแม่ท่านพูดจบหนูจึงกลาบ ขอบพระคุณพระแม่ท่านที่ส่งให้ธรรมะให้ประธรรมคำสอนกับหนูมาและจึงกราบลาพระแม่ท่านกลับออกมาจากที่นั่นมาถ่ายทอดพระธรรมคำสอนลงไวในคลิปนี้มาฝากท่านผู้ฟั ง, ดฟงได้ฟังกันสวัสดีค่ะ